ปิดโทรศัพท์อย่างที่ท่านอาจารย์พระครูบอกเตือนนะคณาธาญาติยงลูกหลานทุกคนนานทีพวกเราจะได้พบได้เจอปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งมีครั้งเดียวที่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระเจ้าอาวาสในเขตอำเภอน้ำโสมนายุงที่มองเห็นทุวันนกูหาที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อ ที่มาร่วมกันทำวัดคารวะในวันนี้รู้สึกว่าเห็นแล้วก็อบอุ่นมีความพร้อมเพียงสมัคคีกันก็ลูกพ่อทราบจากท่านเจ้าคณะอเภอภูนาลาวพระอาจารย์ประครูพิสาปรปัญญาคุณว่าเขตอาเภอนาำสมทั้งหมดมีพระ169รูป แล้วก็ปีที่แล้วนี่มากกว่าสนะี่รูปปีนี้ลดลงสี่รูปแต่ทางอำเภอนายูงอำเภอนายูงในยังหลวงพ่อก็พยายามสอบอยู่ว่าอเออำเภอนายูงมีพระเท่าไรปีนี้ยังไม่ได้รับคําตอบวัดของหลวงพอ่อปีที่แล้วก็มีพระทั้งหมดสามสิบหกรูปนะหลวงพ่อจำไม่ผิดแต่ปีนี้พระของหลวงพ่อเนี่ยสี่สิบสองรูป แหมมากกว่าปีที่แล้วกว็ามากกว่าทุกปีใช่ไหมไหมคือทุกปีบางปีคืถึง46รูปก็มีนะ46 47รูปนะแต่ไม่ถึง50นะวัดของหลวงพ่อยังไม่ถึง50พระที่จาพรรษาแต่ปีนี้รู้สึกว่า46รูปไม่มีสมมเนนมีแต่พระทั้งหมดอันนี้ก็คือพระจําพรรษาแต่ว่าทั้งอําเภอนายูง ยังไม่ทราบว่าอำเภอนายูงเท่าไหร่มันต้องถามฝ่ายปกครองคือท่านอาจารย์พระครูจิตภาวนายานที่ท่านพระอาจารย์รเฉลี่จวัดคณะอำเภอจึงจะรู้ได้ว่าท่านเป็นผู้สำรวจพระในเขตอำเภอนายูงแต่ถึงยังไงก็คงไม่ไม่ลดคงไม่ลดมากแต่ว่าอำเภอบ้านผือเมื่อวันพระที่ผ่านมาวันที่11ที่ผ่านมาก็บอกว่าอำเภอบ้านผือ พระปีนี้มากกว่าทุกปีเฉพาะพระอย่างเดียวก็สามร้อยกว่าโรคก็เลยรู้สึกว่าพระมากที่มาในวันนั้นและตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมธนิยกถาที่คณะอำเภอน้ำโสมนายูงมีท่านพระอาจารย์คำสดเป็นประธาน เป็นผู้มีอายุพรรษารองลงไปก็คือท่านพ่อครูเจ้าคณะอำเภอน้ำโสมพระครูพิสารปัญญาคุณและก็หมู่คณะเจ้าอาวาสมากไม่รู้ว่ากี่วัดที่มาคารวะตามประเพณีคือวันนี้ก็ทางอำเภอน้ำโสมนายูงก็คงจะไปลงอุโบสถที่ภูนาหลาว เมื่อทอําอเบอสดเสร็จเกลียบร้อยแล้วก็ได้รวมกันมาคารวะคงจะเป็นหลวงพ่อแห่งหนึ่งแล้วก็คงจะเป็นหลวงพ่อชลีด้วยยังไงหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ถามในรายละเอียดแต่ถึงยังไงก็เป็นประเพณีในท้องถิ่นหรือว่าในพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อเองก็ได้ไปการาบคารวะหลวงปู่จามหลวงปู่แบรน แล้วก็ครูบาอาจารย์มาหลายองค์แล้วปีนี้แต่ต่อไปก็คงจะมีกราบครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นอีกเหมือนกันอย่างหลวงปู่บุญมีหลวงปูล่ลีเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องไปการาบคารวะท่านเพราะท่านมีอายุพัรษาพวกเราท่านทั้งหลายลก็มากราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปกราบครูบาอาจารย์ที่มีอายุพัรษาที่เหนือกว่าอันนี้เป็นประเพณีของพระกรรมฐาน สรุปแล้วก็คือให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าไปแข็งกระด้างคือไม่ให้แข็งกระด้างครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษามากกว่าเราก็ต้องแสดงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนมุดน้าดาหัวเพื่อท่านมีอะไรที่จะให้คำแนะนำหรือคำชี้แนะที่พวกเรามองไม่เห็นก็จะได้ท่านก็จะได้บอกกล่าวแนะนำพวกเรา แต่ทั้งนี้ทางนั้นท่านคงจะชี้นำบอกกล่าวอย่างหลวงพ่อเนี่ยเห็นคณะสงฆ์เข้ามามากอย่างวันนี้หลวงพ่อเห็นแล้วก็อบอุ่นแต่จะให้หลวงพ่อบอกกล่าวแนะนำํำคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ก็คงจะบอกลักษณะขอร้องหรือว่าพวกเราเป็นพระสงฆ์น้องหนุ่มทางหลายที่มาคารวะที่หลวงพ่อมีอายุพรรษามากกว่า ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอย่าให้มีปัญหาถ้าว่ามีปัญหาเกิดขึ้นก็จะทำให้เสียหมู่เสียคณะอย่างทื่หลวงพ่อได้พูดกับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อบอกว่าถ้าหลวงพ่อจะพูดอะไรออกไปหรือจะทำอากกรัิยอะไรออกไปในที่สาธารณะก็ดีในชุมชนก็ดีหรือมีการเทศนาว่าการ ในชุมชนก็ดีหลวงพ่อก็คิดอีกเหมือนกันมะเอถ้าเราพูดอย่างนี้เราแสดงธรรมอย่างนี้เราแสดงอกับกิริยาอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาของเราที่ผู้ได้รับการศึกษาผ่านการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมผู้คงแก่เรียนก็มีมากที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้ออกไปจะทาให้ลูกศิษย์ลูกหาไม่สบายใจ เรือกว่าโอ้หลวงพ่อของเรานี่ปล่อยไก่ไม่รู้กี่ตัวในครั้งนี้เชิงเดอรานี่หลวงพ่อก็ได้คิดเหมือนกันนะคณะสิทธิอนุสิทธิทั้งหลายอันนี้หลวงพ่อก็ต้องระวังเหมือนกันที่จะพูดคำไหนออกไปก็เพื่อจะให้พวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็ต้องได้สํารวมระวังเหมือนกันจะต้องระวังในความพูดเรื่าแนวความคิดแต่พวกลูกศิษย์ทั้งหลายหลวงพ่อก็เตือนอีกเหมือนกัน พวกท่านทั้งหลายจะทําอะไรลงไปที่ไม่ถูกตามหลักธรรมพี่นายก็ให้พวกท่านทั้งหลายคิดเหมือนกับหลวงพ่อเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายเมื่อทําลงไปเออพวกเราทําอะไรออกไปเนี่ยไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรก็ทําให้เสียครูบาอาจารย์เสียหมู่เสียคณะเสียการปกครองในท้องถิ่นของเราทําให้หมูพวกเพื่อนมีความไม่สบายใจเลือละอายใจกับตัวของเรา ที่เราได้ทำลงไปอันนี้ก็อยากจะให้พวกลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานทั้งหลายช่วยกันคิดอีกเหมือนกันอย่าให้ทำอะไรเกิดขึ้นในวงการของเราถ้าว่าทำอะไรลงไปที่มันไม่ถูกต้องมันก็จะเสียหายทำให้กระทบกระเทือนในครูบาอาจารย์ในหมู่ในคณะนี่แหละหลวงพ่อกระเตือนกับตลอดถึงศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันที่รู้จักมรคุนรู้จักคนเข้าวัดเข้าวา่า มาอยู่วัดไหนถ้าหาว่าทำไม่ถูกทำไม่ถูกต้องก็จะทำให้เสียหายในชุมชนในกลุ่มวัดของพวกเราเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายสํำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยสรุปแลวก็คือให้เป็นผู้มีสินเป็นผู้มีสินอย่าทำตนออกนอกรูนอกทางเมื่อทำออกไปแล้วจะทำให้เสียหายครูบาอาจาร แล้วกับหมูพวกเพื่อนวงการคณะสงฆ์อันนี้เขาขอให้พวกเราอันนี้คือเป็นการเตือนกันเป็นการกล่าวเตือนซึ่งกันและกันคือไม่ให้ออกนอกลูก่นอกทางให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยถึงพวกเราจะโง่จะจะโง่อย่างไรแต่ถ้าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยก็เป็นพระที่โง่แล้วก็หน้ากราบหน้าไหว้หน้าเคารพนับถือ แต่ถ้าหากว่าฉลาดยังไงฉลาดแวกแนวฉลาดไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยฉลาดไม่อยู่ในศีลในธรรมฉลาดออกนอกศีลและวินยัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ออกนอกรูกนอกทางถึงจะฉลาดยังไงก็ฉลาดไม่น่าขอรบับถือเลื่อมใสเพรา ะ, ะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องได้คิดเพราะพวกเราเป็นพระการที่เป็นพระของพวกเรา เราเดินไปที่ไหนคณะสัตยาญาติโยมยกมือไหว้กราบเพื่อความเคารพนับถือเพราะเรามีการแต่งกายระหว่างยูนิฟอร์มคือว่าการเป็นพระของเรามีศีรษะปงผมแล้วก็มีผ้าเหลืองคลุมตัวสัตยาญาติโยมทั้งหลายเขาก็เคารพเคารพเพราะผ้ากาสาวพัดแต่พวกเราเมื่อเป็น ผูครบทรงศิลแล้วพวกเราก็ต้องคิดว่าที่เขาเคารพเราเนี่ยเคารพด้วยอะไรเขากราบไหว้ด้วยอะไรสิ่งเหล่านี้เราต้องมาทบทวนว่าการคิดก็ดีการทําก็ดีการพูดของเราก็ดีอยู่ในหลักพระ ธ, ธรรมวินยัยหรือเปล่าแต่ถ้าว่าเราไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเขาก็กราบเพียงภ้ากาสาวพัดเท่านั้นเขาไม่ได้กราบถึง สีลาจารวัตของพวกเราเพราะนั่นอยากจะให้พวกน้องนุ่งทางหลายตัวตราดูตนเองสรุปแล้วก็คือให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอย่าให้มีปัญหาอย่าสร้างปัญหาอย่าคิดออกนอกลูก่นอกทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้มีสื่อต่างๆหรือว่ามีเรื่องต่างๆสมมติว่าขายยาโปงยาบา้ายามาคัญชายาพินธรมมาค้าขายผิดหลักพระธรรมวินัยอย่างนี้ ไม่ควรจะมีอย่างยิ่งถ้าอดอยากยังไงไม่มีอยู่มีกินมามาหาหลวงพ่ออินจนะิกินข้าวสารเดือนแล้วก็จีกระสอบมาหลวงพ่อพร้อมที่จะใหะ้ถ้าว่าไม่มีอยู่มีกินจริงๆริงแต่ถ้าว่าเราอยู่ในยูนิฟอร์มนี้แล้วก็ไปทํามาค้าขายยาบง่งยามา้าคัญช่ายยาฝิ่นผิดกฎหมายอันนั้นมันเสียหมู่เสียคณะเสียวงการคณะสงฆ์เสียไปหมดถ้าเมื่อเสียไปแล้ว เขาไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ทําให้เสียวงการเป็นแผลอยู่ในนั้นแหละพระอําเภอนายูงพระอําเภอน้ำโสมขายยาบ้ามันดังไประบือไปหมดทุกแขงหน่อย่างนี้แหละอันนี้ ค, คือความเสียหายในหมู่ในคณะเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกลูกพวกหลานพวกน้องนุง่นงทั้งหลายอย่าออกนอกลูก่นอกทางเราชีวิตของเราไม่ใช่ว่าจะยืนยาวเป็นร้อยปีพันปีเมื่อไหร่ อายุของเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราขาดเหลือขาดตกอะไรถึงจะไม่ร่ำรวยเหมือนวัดอื่นเรามีอยู่มีฉันและมีอยู่มีกินหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมาอา้าวมาหลวงพ่อเองพร้อมที่จะดูแลลูกหลานได้เพราะหลวงพ่อเนี่ยไปสร้าง เ, าเป็นประธานมูลนิธิหออภิบาลสงหลวงปู่มั่นจังหวัดขอนแกน่นพร้อมที่จะฝากได้องไหนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่เหลือบา ก, ก่างจริง โรงพยาบาลสูอุดณคือเหมือนกันเอ้าเข้ามาหลวงพ่อฝากได้เพราะหลวงพ่อได้ไปทําคุณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลสําหรับพระสงฆ์อย่าใครได้ป่วยสิ่งเหล่านี้พวกเราอยู่ด้วยความผาสุขขอขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักพระัรนวินยัยอันนั้นละเลิศประเสริฐที่สุดนะพระลูกพระหลานทั้งหลายอย่าไปออกนอกลู่นอกทางถ้าออกนอกลู่นอกทางแล้วทําให้ใจของเราไม่สบายเราเป็นพุก อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้บอกเป็นพระบาลีนะีท่านบอกอากตะตังตุกตะตังเซโยปัชชาตัปปติตุกตตังความชั่วอย่าทําเสเลดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตัวพวกเราท่านทั้งหลายเดือดร้อนเมื่อภายหลังเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เดือดร้อนเล็กน้อยมันเดือดร้อนตลอดทั้งชีวิต ในเมื่อเราจะตายเราก็ยังะคิดถึงความชั่วของเราอีกจากนั้นความชั่วของเราจะนำไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าอีกไปตกนรกหมกไหมแล้วยังไปเกิด เ, เป็นสัตว์ไดชัน้นตกใช้กรรมอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นน่าจะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสาหรับพวกพระเรานะ พวกพวกเราเดินมาถูกทางแล้วขณะนี้ทําไมว่าเดินว่าถูกทางพวกเราคิดดูซิว่าลูกปู่มันท่านสอนอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านสอนอย่างไรท่านให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมในรักษาศีลท่านสอนอยังไงสมาธิท่านให้สอนอยังไงวิธีเดินปัญญาวิปัสสนาท่านให้เดินอย่างไรอันนี้ในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชัดเจน ไม่มีเราไม่น้อยหน้าตำตาใครทั้งหมดที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มัน่นให้พวกเราศึกษาดูให้ดีในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน่นท่านเน้นหนักเรื่องสมาธิท่านก็บอกให้ภาวนาพุโธนะเป็นหลักนะถ้าบริกรรมธรรมดาทำเฉยๆอันนั้นยังไม่เพียงพอเพราะมันจะหลุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นให้บริกรรมพทรุทโธขาขวาพดขาซ้ายโธขณะที่เราก้าวเดิน แต่เวลาเรานั่งเราอยู่นิ่งยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะลมหายใจยังไม่หยุดเราก็บวหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทพดโทนะอันนี้คือเวลาเราก้าวเดินเวลาเราปัดกวาดลานวัดเวียงขวาพดุดเวียงซ้ายโทนะอันนี้ก็คือให้มีสติสัมปชัญญะทุกอริยาบทในการเป็นอยู่ของเราอันนี้แหละอันนี้คือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอน ลูกศิษย์อย่างองหลวงตาท่านบอกว่าสมัยก่อนเมื่อท่านเรียนหนังสือท่านก็ได้รับคําแนะนําเรื่องการสอนจากครูบาอาจารย์ท่านว่าให้กําหนดให้กําหนดลมหายใจเข้าแล้วก็ให้กําหนดดูการเคลื่อนไหวท่านบอกว่าท่านกําหนดเนี่ยมันหลุดเวลากาหนดมันหลุดมันหลดุหลดคล้ายๆกับว่ามันเผลอมันเผลอได้เร็ว จากนัานท่านก็เอเราเนี่ยทำไมมันหลุดได้เร็วถึงขนาดนี้มันตั้งไม่อยู่เลยเอาตอนนี้ไปเราจะบริกรรมด้วยเพราะหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าให้บริกรรมด้วยนะจากนี้เราจะบริกรรมด้วยหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถขาขวาพดขาซ้ายโถเวลาเดินอยู่กลมเวลาเดินไปนาะทีใดท่านบอกว่าระยะสามวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าสู้อย่างสุ ด, สด หนักอย่างสุดๆในการเดินกรมในการภาวนาบังคับสติให้อยู่กับตัวเองหนักที่สุดไม่มีการงานไหนที่เราว่าหนักๆนั้นสู้การที่จะนั่งภาวนาแต่มันไม่ได้หนักมันไม่ได้หนักกายมันไม่ได้หนักกายมันหนักใจมันหนักใจมันหนักใจมันอยู่ยากกว่าหนักกายนะคณะสัตยายญาติโยมนะถ้าว่า เ, เรื่องการงานเนี่ยเราจึงพอสู้ไหวแต่ว่าเรื่องใจมัน มันบังคับใจให้อยู่กับเท่เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเนี่แหละหลวงตาท่านบอกว่าบังคับอยู่สามวันวันที่สี่จะค่อยเบาพอเบาขึ้นมาจิตอยู่กับตั ว, ลวเลยท อ, อ, อมันไม่ออกพอนิ่งเดินไปก็รู้ไปที่ไหนก็รู้มีสติสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวของตนเองจากนั้นจิตใจก็รวมสงบได้บังคับให้อยู่ได้นั่นแหละจนประกาศออกมาในใจว่าเออ ใจของเราไม่เสื่อมแน่ข่าวนี่เรารู้จักวิธีแล้ว เ, เราพอจักวิธีการแล้วแต่ก่อ น, นมันเสือเอเส่อมเอาเสื่อมเอาจนเอาไม่อยู่นี่แหละอันนี้คือจากนั้นมาท่านก็ให้พิจารณาทางวิปัสสนาเดินวิปัสสนาพิจารณาร่างกายให้เป็นของอสุภะปฏิกูลแยกส่วนแบ่งส่วนให้พิจารณาทางวัใจัยของเราปรุงฟงสร้างไปทางอื่นมันเอาไม่อยู่เวลาเรานั่งเวลาปล่อยใจออกมาี่ มันทะเลทะลายถึงมันจะสงบแล้วก็เถอะพอพานสงบแล้วออกมาพิจารณาพอพิจารณาแล้วก็ไปท่านบอกให้พิจารณากายให้แยกกายแยกกายก็คือให้เกสาผมโลมาข น, นาขาเล็บธันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับหัวใจปอดไตาอาหารใหม่อาหารเก่าแยกส่วนแบ่งส่วนดูให้เข้าไปในร่างกายของเรามีอยู่32สอง อาการ32มีอยู่32มสิบสออย่างถอนผมออกไปถอนขนออกไปถอดเล็บออกไปถอนฟันออกไปถลกหนังออกไปไปกองไว้เป็นละกองละกองเนื้อกองไว้เอ็นกระดูกกองไว้เป็นแต่ละกองพิจารณาแยกแยะแบ่งส่วนดูซิแยกส่วนแบ่งส่วนดูซิอันไหนคือร่างกายอันไหนคือเราดูแล้วมันไม่ใช่เรามันเป็นของธาตุสีดินน้ำลมไฟแต่มันรวมกันก็เป็นธาตุเป็นถัน เป็นธาตุเป็นร่างกายของเรานี่แหละหลวงปู่ครูบายอาจารย์ว่าเราเนี่ยไม่ใช่หลงอื่นนะพวกเราคิดดูให้ดีนะหลงร่างกายนะท่านว่ามันหลงร่างกายไม่ใช่หลงอื่นเพราะฉนั้นในพิจารณาจุดนี้อันนี้คือวิธีการเดินวิปัสสนาของพ่อแม่ครูบายอาจารย์ได้ชัดเจนอยวิธีทําสมาธิก็อย่างที่ว่ากําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทกําหนดให้นิ่งในเมื่อจิตพัน จิตสงบดีแล้วก็นำจิตที่สงบนั้นนำมาพิจารณาเดินวิปัสสนาให้พิจารณาร่างกายเกสาผมโลมาขนนะะักาเลบทานตาฟันแต่โจหนังอย่างที่ว่าแยกส่วนแบ่งส่วนร่างกายให้ชัดเจนเจากนั้นเมื่อเราพิจารณาดูแล้วทีนี้เราให้ย้อนมาดูตัวผู้รู้ใครเป็นผู้รู้ว่าอันนั้นคือผมอันนั้นคือขนอันนั้นคือเล็บอันนั้นคือฟันอันนั้นคือหนังใครเป็นผู้รู้ กระยศมาหาตัวผู้คือใจเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็คือหลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านแยกแยะจนถึงที่ว่าเนี่ยเมื่อท่านภาวนากําหนดพิจารณาร่างกายอพอพิจารณาร่างกายไปเห็นร่างกายหญิงร่างกายชายสวยงามกําหนดดูพ่อกำหนดดูคล้ายๆก็มันทําลายนะ เ, เห็นเป็นร่างกระดูกทั้งหมดจากนั้นก็ไฟไหม้กําหนดไฟไหม้ปั๊บนะเป็นเท่าฐานไปหมดพอดูปั๊บเป็นเท่าฐานไปหมดเอออันนี้ก็คือท่านพิจารณาร่างกายพอพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วถึงเอ๊ะทาไมไม่บอกไม่บอกเหตุบอกผลพอพิจารณาทีไรก็เห็นพอเห็นแล้วก็มันทําลายทั น, นทีใจมันทํำลายให้ความมันสมมุติ แค่ว่าร่างกายเนี่ยมันลงไปอย่างงั้นดินน้ําลงไฟจะไปยึดจะไปดูมันทําไมแต่ที่ในมันไม่บอกเหตุไม่บอกผลว่ามรรคผลหรือว่าการรู้จริงเห็นจริงนั่นอยู่ตรงไหนอันนี้แหละคือหลวงตาท่านท่านพูดให้ฟังท่านแยกแยะให้ฟังนะท่านแยกแยะให้ฟังเมื่อท่านพิจารณาอยู่อย่างนี้โอ้นานท่านว่านะเอไม่รู้จะพิจารณาอย่างไรพอเห็นแล้วมันทําลายเลยเพอเห็นร่างกายมันก็ทำลายร่างกายมันใครเข้าย่ล มันความรู้สึกของรอนะมันเห็นร่างกายดินน้ําลมฝอยเห็นวังเห็นคนเกงเห็นกระดูกเลยกระดูกทั้งร่างเนะเพราะเห็นกระดูกแล้วเสร็จแล้วก็กําหนดเนีมันมันค่อยๆมันเป็นไฟมันไหมเองฮับเป็นกระดูกกองเลยไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเราท่านว่าจิตใจในช่วงนั้นนะ่ะกามาลาค่าเนี่ไม่มีเลยในจิตใจเพราะเห็นอสุภะไปหมดจะเกิดการมกิเลเอตได้อย่างไรนะอันนี้แหละคือองค์หลวงตาท่านพูดให้ฟังนะ จากนั้นท่านก็พิจารณาเอถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้จะทำยังไงท่านบอกว่าทดลองดูสิทดลองดูกรมสมมติขึ้นมาเียอันนั้นคือมันก็สมมติอีกเหมือนกันสมมติว่าร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็สมมติไฟเผาแต่บัดนี้สมมติขึ้นมาไม่ให้ไฟเผาให้เป็นสุภาอให้เป็นสุภาษคือความสวยงาม แต่กรนะเป็นพิจารณาทีไรเป็นอสุภะคือความไม่สวยงามคือเป็นให้เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟเกศผมโรมาขนอย่าอสุภะเป็นของไม่สวยงามดูซิจะเป็นสวยงามได้ยังไงใช่ไหมกระดูกหนังอุจจาระปัจจาวะตับไตลำไส้กองอยู่อย่างงั้นจะว่าของสวยงามได้ไหมมันเป็นกองอยู่อย่างงั้นแต่รวมกันเข้ามาก็เป็นรูปร่างกลางตัวเป็นหญิงเป็นชาย เดนี้ท่านกับพิจารณาดูว่าเอาอยัางไงจากนั้นท่างกายพิจารณาให้สวยงาม ไ, ไม่ให้ทําลายใชนี่แหละเป็นการทดสอบทดลองอันนี้คือบอกพวกคณะพวกกูบ า, าลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายการพิจารณาร่างกายพิจารณาอย่างนี้ในเพื่อพิจารณาเห็นร่างกายของตนเองท่นี้บอกให้เป็นของสุภาพ ค, คือความสวยงามพอความสวยงามน้อมจิตไม่ให้ทําลาย สิ่งที่สวยงามถ้าหาว่าเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ชายก็มองผู้หญิงว่าเป็นของสวยงามที่สุดถ้าเป็นผู้หญิงก็มองว่าผู้ชายสวยงามที่สุดในความรู้สึกของเราอันนี้คือหลวงตาท่านสอนท่านสอนแบบธรรมะท่านสอนแบบลึกๆนะสอนให้พระฟังนะแต่นี่หลวงพ่อมาพูดให้แก่พวกเราฟังเพื่อการศึกษาจากนั้นเมื่อพิจารณาให้เป็นสุภาษะใหม่ๆมันก็ยังทําลายอยู่ ยังเป็นร่างกระดูกอยู่แต่กำหนดไม่ให้มันทำลายให้มันเป็นของที่สวยงามที่สุดอันไหนที่สวยงามในความรู้สึกตกแต่งให้สวยงามพอี่สุดใจใจมันคล้ายๆกับว่ามันมีมันนอนเนื่องกิเลสมันนอนเนื่องเลือลึอๆอยู่ในหัวใจมันก็คล้ายๆแสดงอากัปริยาขึ้นมาคล้ายๆว่ามันมีความรู้สึกรักและก็ชอบรักใคร่ เออรักใคร่ท่านว่าเอออันนี้เราบอกว่ามันหมดกิเลสแล้วนะเออพอเราเห็นทีไรมันทําลายเราก็มั่นใจว่ามันทํำลายแต่ที่ไหนได้มันยังนอนเรื่องอยู่ลึกๆในใจอันนี้ยังไม่ใช่นะมันยังมีอยู่นะเชื้อตัวที่ยังมีอยู่นะตัวนี้ลนะมันจะพาทําให้กิเลสทั้งหลายมันยังไม่หมดจากนั้นท่านก็โอ้ตัวนี้ใช่จากนั้นท่านก็พิจารณาอีกทีนึงดูให้ละเอียดกว่านั้นไปอีก ให้เพ่งเป็นสองท่นี่ทั้งสุภาพและอสุภาพอยู่ต่อหน้าเลยท่นี้มองให้เป็นสุภาพคือความสวยงามแล้วก็อสุภาพคือสิ่งที่ไม่สวยงามดูให้ใจของเราดูกําหนดดูดูทั้งสองอย่างแต่พอดูทั้งสองอย่างแล้วท่านบอกว่าทั้งสุภาพกว่าดีอาสุภาพกว่าดีทั้งสองอย่างนั้นเราไปให้ความสําคัญใจไปให้ความสําคัญมันจึงสวยงามเป็นสุภาพเรา ไปให้ความไม่สำคัญมันว่ามันเป็นอสุภะแต่ที่แท้น่คืน อ, ออกไปจากใจดวงเดียวออกไปจากใจของเราทั้งหมดพอในสุขรังก็เลยสุภะก็ดีอสุภะก็ดีมันย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจพอมาถึงใจแล้วมันคือตัวอสุภะก็ดีสุภะก็ดีคือใจนั่นเองในเมื่อเราเห็นทั้งสองเนื่อนและถึงปล่อยวางที่ใจพอมันรู้จริงเห็นจริงแล้วปล่อยวางที่ใจ ในเมื่อปล่อยวางที่ใจแล้วเ อ, อจึงรู้ได้เอออันนี้ถูกต้องเออถูกต้องลักษณะนี้ถูกต้องมันปล่อยวางที่ใจมันไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นได้ชัดเจนเถ้าหาว่าจะให้หลวงพ่อพูดว่าในขณะนั้นที่ใจลวงตาได้ปอปล่อยวางลงจุดนั้นนั่นแหละคือพระอนาคามีแล้วท่อนพระอนาคามีอตัดกิเลสกามาลาค่าได้เด็ดขาด อรู้แจ้งเห็นจริงเด็ดขาดอันนี้ก็คือตัดกิเลสกามราคะะคล้ายๆว่ามันรูไ้ได้ตัวเองเลยแต่ท่านก็ไม่ได้พูดนะว่าท่านในเป็นพระอนาคามีแต่ว่าในความรู้สึกรล้วในการพูดอย่างนั้นนะ่่ะเมั่นใจเนี่ยนีแหละก็คือการประพฤติปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสายหลวงปู่มั่นจากนั้นเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแต่ละองค์อย่างหลวงปู่มั่นเออ อธิธาต์หรือกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ให UR ลายหายองค์ก็ล้วนแล้วจะเป็นพระธาตุให้เพพวกเราได้เห็นอย่างองค์หลวงตาองค์จุดท้ายที่พวกเราได้กราบได้ไหว้ท่านก็ประกาศตนว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเราไม่มีกิเลสแล้วเราเกิดชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้วพอท่านมรณะภาพไปไม่นานอธิธาต์ของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็น เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายน่าจะมั่นใจได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของเราเนี่เป็นสายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงท่านให้หลุดพ้นจากอาสะวะกิเลสพิธีการเดินมักท่านเดินอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดท่านเดินที่ปัจนาท่านเดินอย่างไรท่านหลุดพ้นท่านหลุดพ้นอย่างไรแล้วท่านก็ประกาศออกมาจากนั้นเราที่อยู่สุดท้ายภายหลัง เราเห็นแต่รูปประธรรมคือร่างกายของท่านแต่นามธรรมเรามองไม่เห็นแต่แต่พวกเราก็เชื่อในธรรมคำสอนของท่านลึกๆจากนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วกระดูกรองท่านก็กลายเป็นพระธาตุเป็นรูปประธรรมให้แก่พวกเราได้เห็นนี่พวกเราให้มั่นใจได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลวมปู่ม่นของเราเนี่เป็นสายพระหรหเพราะนั้นพวกเราคณะสิทธิญาุสิตลูกหลานทั้งหลาย เขขอให้เดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพวกเราจะประสบสําเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาแต่ว่าพวกเราออกนอกลูกนอกทางเราหนักไปทางด้านวัตถุมากนะมันก็ทะเลถลายไปอีกเหมือนกันเพราะด้านวัตถุเราไม่อยู่มีกินพอมีใช้พอยังชีพพอเป็นไปก็น่าจะเพียงพอแต่ถ้าหากขาดเนื้อขาดตกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังหมู่พวกเพื่อนของเราก็มี แต่ขอสาคัญอย่ากออกนอกลูกนอกทางทําให้เสียวงการพระพุทธศาสนาเสียวงการของพ่อแม่ผูบาอาจารย์ของเราถ้าพวกเราทําออกนอกลูกนอกทางมันไม่ใช่เสียเฉพาะเราคนเดียวนะแตมันเสียหมู่เสียคณะและวก็เสียตระกูลของเราทุกสิทธิสายโลปู่มั่นสายกรรมฐานทําตนไม่ดีอย่างนั้นทําตนไม่ดีอย่างนี้พวกคณะสัตธาญาจมที่อยู่ใกล้ชิดกับเอือมละอาฮะเออ เราก็คิดว่าครูบาอาจารย์ของเราอยู่ในกรอบของศีลธรรมแต่ทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ปากต่อปากคําต่อคําก็ทําให้เสียหายแต่ตัวเองออกไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแต่วงการนะั้ยังมีอยู่เสียหายกับหมู่กับคณะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทายาญาติโยมลึก ห, หมู่พระสงฆ์ลูกน้องหลุงทั้งหลายก็ขอให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยให้อยู่ในศีลในธรรมและก็พร้อมกันนะคณะสัตยาญาติโยม พวกเราได้พระครูบาจารย์ที่มานั่งอยู่ที่นี่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นพระครูบาอจารย์ที่ได้รับการศึกษาได้รับผ่านการศึกษาจากพ่อแม่ครูบาจารย์มาลหลายองค์ลหลายๆท่านกันล้วนแล้วแต่ท่านจะดํารงส่งพระศาสนาสืบต่อไปพวกเรานะว่าได้ครูบาจารย์ที่ดีขอขอให้พวกเราท่านทั้งหลายใส่ใจวันพระหนึ่ง ควรจะไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพวกเราเดินมาถูกทางแล้วเดินมาสายตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วก็เราอยากจะฟังธรรมเทศนาก็เปิดฟังได้ร้อยเของหลวงพ่อหรือว่าหลวงปู่บุมีที่เรียกว่าวัดปาบ้านตาเราเปิดฟังดูเลยว่า1 0 7เรอาจเราจะได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ผูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาสายหลวงปู่มัน่นจากนั้นเราจะได้ฟังศีลฟังธรรมเราจะไปคิดว่าเราห่างเหินจากคำคําสอนของพ่อแม่ผูบาอาจารย์ถ้าเราใส่ใจสนใจแล้วเราจะเข้าไปใกล้ชิดเราจะได้ศึกษาอยู่ใกล้ชิดบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ก็คืออะไรก็คือนี่แหละคือพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ผูบาอาจารย์เนี่แหละคือบัณฑิตนักปราชญ์ ให้พวกเราเข้าไปศึกษาพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังไม่ใช่ว่าปีหนึ่งจะมาฟังคําเทศหลวงพ่อครั้งหนึ่งอมันนานเกินไปในพวกเราต้องฟังถ้าฮะวมีเอ็มปีหลวงพ่อแจกให้ของหลวงตาขรีครูบาอาจารย์องค์ไหน็ดีถ้าเป็นสายหลวงปู่มัน่น่ะให้พวกเราฟังนี่แหละต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุตตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง จินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ดีได้ยินได้ฟังมานั้นมีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหนทบทวนดูกันกรองดูแล้วอาหลักพระธรรมวินัยมาเปรียบเทียบดูถูกไหมที่ท่านพูดออกไปเนี่ยอันนี้ว่าจินตามะยะปัญญาภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากทาจิตให้สงบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าที่หลวงตาพยายามทําจิตให้สงบกําหนดภาวนา หายลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะเมื่อจิตใจสงบนิ่งพอสงบแล้วก็นำมากันกรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังจะเป็นปัญญ า, เ, าเป็นแนวแถวเป็นแนวความคิดเป็นแนวปัญญาที่เกิดขึ้ น, นอันนี้แหละคือหลักธรรมคำสอนต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังท่านยังเน้นนักอีกจุดหนึ่งท่านว่าผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง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 วิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอะไรต่อมิอะไรในมหาวิทยาลายัยมีเยอะแยะไปหมดอที่จะต้องเรียนแต่นี้เราเรียนเรื่องวิชาพระพุทธศาสนาวิชาศิลธรรมอควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องเป็นธรรมอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนคณะรัตย์ญาติโยมท่านว่าให้มีทานเนะถ้าคนมีทานมีนิสัยกว้างขวางอ แล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวคล้ายว่ามีเท่าไหร่บริจาคทานหมดไม่ใช่มีเท่าไหร่เก็บหมดจนไม่รู้จักแบ่งใครไม่ใช่เรารู้จักแบ่งพ่อแบ่งแม่แบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งลูกแบ่งหลานของเราแต่ส่วนเก็บเราก็ต้องมีเก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่ออนาคตถ้าเราไม่เก็บเฉลยก็ไม่ได้ต้องเก็บแต่ถ้าว่าใครมาขอเพีนิดหน่อยก็ไม่ให้ให้ไม่ได้อันนั้นแปลว่าเกินไปอันนี้เราก็ต้องมีการเฉลือเผื่อแผ่อันนี้คือทาน ถ้าไม่มีการเฉลือเผือแผ่และไม่มีการแบ่งปันแล้วพวกเราจะอยู่ด้วยกันล so ําบากพ่อแม่พี ok ่น้องเพื่อนฝูงก็มองกันไม่ต hey ิดอยู่ด้วยกันไม่ติดเห็นพ่อเห็นอะไรไม่มียางข้าวไม่มีอย่างต่างคนต่างเม็ดข้าวสารเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องไม่มีความเยื่อใยต่อกันไม่มีน้ําใจต่อกันไม่มีการเสียสละต่อกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่แหละทานะคือการเสียสละทําให้พี่น้องเพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันได้ เรื่องศีลขยูกดระเบียบสําหรับศีลสําหรับศรัทธา ญ, ญาติวงศ์คือศีลห้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้หลวงพ่อเคยเน้นอยู่เสมอว่าศีล5้าประการอย่าฆ่ากันนะอย่าคิดฆ่ากันนะพ่อพวกเราอยู่ด้วยกันถ้าคิดฆ่ากันแล้วจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มันจะระแวงแครงใจกันอยู่ตลอดออไปที่ไหนก็ระแวงแครงใจกันเพราะเหตุไรเพราะไม่ไว้ใจกัน ถ้าคนไม่ไว้ใจกันแล้วจะหาความสุขได้อย่างไรอันนี้ก็คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่2องอิณนาทานขโมยคนอื่นเขาเขาขโมยเราเราขโมยเขาต่างคนต่างขโมยกันจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ากาเมสุมิตรฉาจาราวีรมนันิสามีภรรยาลูกหลานข้องไข่เขาก็รักสังเวียนหวงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเออไปทําไม่ดีไม่ร้ายกับลูกหลานสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขาก็เสียใจ ถ้าเราเขามาทําให้กับเราละ่ะเราก็เสียใจข้อที่สมุสาโกหกพกลมต้มตุน๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาทํากับเราก็เช่นเดียวกันเราก็เสียใจเนี่ยชโลเพลคือคือสินหของพระพุทธเจ้าเนะี่ยตั้งแต่ศินข้อสีมาถึงข้อที่หนึ่งเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอย่าไปทำํำถ้าทําก็เดือดร้อนถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เป็นทุกข์ เราทําให้กับเขาเขาก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสิ่งข้อที่5สุราเมรยามัชะปะมาอย่าดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเมาแล้วนะทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติคนขาดสติและทําความชั่วเสียหายฆ่าพ่อฆ่าแม่ขโมยใครก็ได้ลาห ล, ล, ลับละร่วงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติก็รู้อยู่แล้วว่า ดื่มสุราต้องขาดสติเราจะไปดื่มให้โง่ทําไมแค่มือดื่มเข้าไปแล้วมันขาดสติเพราะฉะนั้นอย่าไปดื่มนี่แหละหลวงพ่อวันในพรรษานี้อย่างน้อยก็ให้พวกเราไม่ได้ศินทั้ง5ข้อนะก็ได้ข้อสุดท้ายคือเข้าไปเจ้าจะไม่ดื่มสุราตลอดไตรมาสสามเดือนเรื่องเราตั้งแต่เอาตั้งแต่วันนี้เอาตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะพระนัทธาญาตโยนะไม่สายนะการสร้างคุณงามความดีสร้างเมื่อไหร่ ก็เป็นความดีเมื่อนั้นไม่สายนะ เ, เพราะนั้นอย่างนี่มาถึงวันนี้ตั้งจิตนิฐานต่อหน้าพระประธานของหลวงพ่อพระอุดมมงคลเนีเ่ยพระประธานเออข้าพเจ้าสมาทานต่อหน้าพระพุทธปฏิมาวัดป่านาครับน้อยข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราจนตลอดออกพรรษา อ, อย่างนี้เรียกว่าข้าพเจ้าจะงดการสูบบุหรี่ตลอดออกพรรษาข้าพเจ้าจะงด การพนันตลอดออกพรรษาข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันตลอดออกพรรษาข้าพเจ้าจะใส่บาตรที่หน้าบ้านทุกวันที่พระมาบิณฑบาตรผ่านหน้าบ้านจะไม่ให้ขาดตลอดออกพรรษาสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีแล้วก็ขอข้าพเจ้าจะไปกราบพ่อกราบแม่วันเสาร์ไปกราบพ่อตาแม่ยายวันอาทิตย์ไปกราบพ่อปู่แม่ยา่าไม่ให้ขาดอาทิตย์หนึ่งเราจะไปแบ่งกันไป เพื่อเป็นตัวอย่างของลูกของหลานของลูกของเรานี่แหละอันนี้ก็เป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเช่นเดียวกันต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราทําปูทางให้ดีแล้วลูกของเราก็จะเดินตามแนวแถวที่เราพาเดินเนะีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทก่านที่หลวงพ่อพูดมาทางนี้ทางนั้นให้พวกเรานาไปคิดพิจารณาการกรองไตร่ตองเหตุและผลที่หลวงพ่อได้แจกหนังสื อ, อ ว, วันที่27เเมษา หลวงพ่อพูดถึงพระคุณของบิดามารดาหลวงพ่อจะพูดให้ฟังจุดหนึ่งนะอันนี้หลวงพ่ อ, อได้พูดเป็นชาดกคือในครั้งพระพุทธเจ้ามีพราหมณ์คนหนึ่งเขาทำมาค้าขายได้เงินมา10ไในเงินมาโกดหนึ่งคำว่าโกดันคือ10ล้านหมื่นแสนล้านโกดนะแต่ทุกวันนับถึงถึงแต่ล้านนะล้าน20 ล, ล้านเขาก็ว่าไป แต่คนบวรางเขานับเป็นโกดธนะโกรท่านั้นโกดธท่านี้โกรแปดส0โกดธยี่สิบโกรแปดสิบโกดอันนี้โกดธหนึงเลคือ10ล้านแต่สล้านเป็นโกรธนี่2ตายายหาเงินได้1โกดคือ10ล้านพอต่อมา2ตายายนั้นมีลูกอยู่9คนลูกชายล้วนใคล้าๆออกมาเป็นเรียงเป็นกระดานกันเลยแล้วงั้นแต่ต่อมาแม่ก็เลยตายพอลูกจะเริ่มเป็นหนุ่มน่ย พ่อก็เลยจัดการแต่งงานให้ลูกชายทั้งเก้าคนลูกชายเขาก็เสนอขึ้นมาหาพ่อพ่อเงินที่พ่อหากับแม่หามาไว้น่ะเงินโกดหนึ่งน่ะพวกผมก็มีครอบครัวแล้วพ่อน่าจะทําให้พวกผมผมจะได้นําไปทำมาค้าขายเพราะผมมีครอบมีกลัวแล้วพ่อว่ายังไงพ่อโอ้ยินดีลูกเพราะว่าพ่อหามาให้กเพื่อลูกนั่นแหละศูนย์เจ้าเก้าคนจะแบ่งกันยังไงล่ะเงินโกดหนึ่งน่ะ พ่อก็ถามผู้พีชายใหญ่ก็เสนอว่าเอาขอคนละล้านก็แล้วกันเพื่อทำมาค้าขายพ่อกือเอาแบ่งให้แบ่งให้คนละล้านลๆนลล้านต่อมาพ่อก็ถือไว้ล้านหนึ่งคนเงิน10ล้านเนี่ยแบ่งไปคนละล้านกับกล้า น, นต่อมาอีกทามาค้าขายขาดมืออีกเดีโอ้พอ่อาทามาค้าขายถ้าได้อีกสักแสนหนึ่งจะดีนะพอ่อนะขอแบ่งอีกพ่อก็เอา้าให้อีกคนละแสนละแสนลแสน พ่อก็ถือไว้แสนหนึ่งต่อมาอีกพอโอ้โพ่อทํามาค้าขายจยางนั้นอยู่ขออีกสักหมืน่นครับพ่อเออเอาแบงอ็กยังไงพวกผมก็จะเลี้ยงอยู่แล้วล่ะพ่อเนี่ย เ, าเขาขอคนละหมื่นละหมื่นละหมื่นยังเหลือกับพ่อหมื่นนึงต่อมาอีกเขาขออีกคนละพันอกีกทียังเหลือ พ, อ พ, นนพอ่อพันหนึ่งพ่อเออเอาอยู่กับอยู่กับลูกชายคนโตเนี่ย พ่อโยกับลูกชายคนโต ว, วันดีคืนดีลูกสะพ้ยคนโตนั้นก็บอกพูดขึ้นมาแบบลอยลอยนะปู่ของเราไม่รู้จักบ้านคนอื่นรู้จักแต่บ้านพวกเราแต่เงินแบ่งเสมอกันหมดไม่มีการที่จะให้พวกเราเหนือกว่าแต่ว่าเวลาอยู่อยู่แต่บ้านพวกเราไงลูกสะพ้ยพูดขึ้นมาปู่นี่ก็ได้ยินก็ขว้างหัวละที เอ้อย่างนี้มันก็ไล่ฆ่านี่นะไล่กูนี่นะลูกสะภ้ยนี่นะลูกหลานนี่นะแหม่ก็คิดแหละของคนแก่คนแก่นั่นใจน้อยนะลูกหลานนะไอพวกเราจะไปพูดอะไรให้พ่อให้แม่ฟังนะต้องระมัดระวังนะพ่อแม่ยิ่งอายุแก่เท่าไหร่นะถ้าพูดอะไรเข้าไปนะคนแก่นี่ใจน้อยนะแอมไม่เหมือนไม่เหมือนคนเอน้อยคนหนุ่มนะใจน้อยนะคนแก่นะเพราะฉะนั้นคนเท่าเนี่ยก็เหมือนกันใจน้อยอย่างเงีะพอพูดขึ้นมาอ้าว ท่าโพดอย่างนี้หลายๆครั้งก็แสดงว่าเขาไล่ฆ่านี่นะไล่กูนี่นะเอา้ากูจะต้องออกไปอยู่กับลูกชายคนที่สองลองลงมาเนี่ยก็ไปอยู่กับคนที่สองอีกลูกทชายคนที่สองก็พูดอีลักษณะเก่าอีกผูเ้เท่าเนี่ก็คว้างหูอีกลงไปอีกไปอยู่คนที่คนที่สามไล่ลงไปจนถึงคนจุดทองเขาก็ยังพูดอีกอย่างเก่าเพราะว่าเขาได้สมบัติเสมอกันพอกิเลสน่ยมันไม่ไม่รู้จักพอเนี่ย กิเลสตั้งที่พ่อเอาให้แล้วก็น่านจะรู้จักพอ่อพ่อคนเดียวน่าจะเลี้ยงได้แต่ลูกสะพ้ายน่ะสิแต่ลูกชายก็คงจะไม่รู้แหละเขาก็ไปทําการทํางานของเขาอย่างนั้นพอ่อถ้าเป็นอย่างนี้กูไปหาขอทานกินดีกว่านะจากนั้นพ่อเนี่ก็เลยหนีจากบ้านลูกชายคนจุดท้องนะได้ย่ามใบหนึ่งใส่เสื้อผ้าที่จําเป็นจะต้องได้ใช้แล้วก็ถือหมอ้อขอทานไปหม้อหนึ่ง แล้วก็มีไม้เท้าไปเล่มหนึ่งไปหาอยู่หากินซักเซปเนจรไปเลื่อนในกรุงสาวัตถีนะไปที่ไหนที่เขาขอทานเอาไปขอทานกับเขากินไปเรื่อยๆอาบน้นํานอนที่ไหนไม่ว่าละ่ะนี่แปลว่าคนเป็นคนจนไปเลยเท่านี้เดินไปกับโตเต๋เข้าไปไปเห็นวัดป่าเชตะวันวัดที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยเขาก็ล่ําลือกันมีคนเขาไปทาบุญทําทานฟังเทศรักษาศีลเนี่ยอย่างพวกเรามาวัดอย่างนี้ละ พรามเนี่ยก็เออถ้าเราเข้าไปหาสมณะโคดมสมณะโคดมพุทไตจ้าวเป็นเชื้อกษัตร อ, อ่าเราก็เป็นพรามเข้าไปก็น่าจะมีอะไรที่ท่านจะแนะนำอย่างน้อยกอ็ถ้าไม่ได้วัตถออุของเศษของเรนก็คงจะมีทรรมอะไรแนวความคิดคงจะได้จางวะเลยมดเข้าไปในออประตูวัดป่าเชตตะวัน อ, อ่าไปเข้าประตูวัดเดินไปพระพุทธองค์เห็นอุปนิสัยนะ ท่านเขาเรียกให้พระสงฆ์ไปเรียกพราม์มาหาดูซิพราม์ก็ไปหาตอนบ่ายเพราะพุทธเจ้าก็ถามว่าพรามณ์มาจากไหนแต่พระพุทธองค์รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงแต่ถามถามให้ถามโอภาปาศัยตามโลกสมมตุติพราหมณ์ก็พูดให้ฟังว่าข้าพระองค์อยู่ในกรุงสาวัตถีนี่แหละแต่ก่อนก็ทํามาค้าขายก็มีฐานะพอสมควรมีเงินอยู่หนึ่งโกดคือ10ล้าน ก็ได้แบงให้ลูกชายกับเราประวัติความเป็นมาจนถึงประวัติที่ว่าหนีออกจากบ้านเขาพระพองค์ก็รู้เออพราม เ, ออเธอเธอจะเรียนจะเรียนคาถาจากเราไหมคือกล่าวคาถาสุนทรพจน์จากเราไหมจะเรียนคาถาจากเราไหม เ, ออเราจะให้คาถาเมื่อได้เรียนได้แล้วจะกล้าพูดกับลูกไหมออพรามก็บอกว่าพอพระพองค์ให้อะไรเอามดพระเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ให้ทํำยังไงผมทําได้หมดพระเจ้าขา่าเออเอา้าวแต่ยังนั้นก็เรียนพระพุทธองค์ก็ให้พราหมณ์เรียนเรียนเรียนคําคมคําคมหรือคากล่าวสุนทรพจน์เออเรียก ว, ว่าสมัยนั้นก็เรียก ว, ว่ากล่าวเป็นคาถาเป็นคาถาแต่ตามไม่จริงเป็นคําคมมากกว่าเรียกว่าเป็นภาษิตเนมากกว่าเมื่อพระองค์สอนให้พราหมณ์เสร็จแล้วพราหมณ์ก็จําได้แม่นปะส่งไป ไปแล้วให้ไปเรียกนะไปเรียกในชุมชนที่บ้านพรามอยู่นั่นแหละไปเรียกมาเออลูกชายลูกสะใภ้ลูกหลานพี่น้องเพื่อนฝูงมาฟังเนอะข้าพเจ้าหนีไปวันนั้นข่าวนั้นล่ะยังไม่ได้สั่งได้ลากับใครๆทั้งหมดไปแบบไม่ได้สั่งได้ลาบัดนี้ข้าพเจ้ากลับมาอีกแล้วข้าพเจาา้าจะมาสั่งลาพวกท่านออกไปคราวนี้ก็คงจะไม่กลับมาอีกละเพราะนั้นใครอยากจะมาฟังอะไรกับมานะ พวกลูกๆทั้งหลายเขาโอ๊พ่อนะ่คงจะมีคนคงจะมาติดหนี้ติดสินกับมัง่งพ่อคงจะไปให้ตามหนี้ตามสินกัมัง่งไอ้พวกที่ขี้โลภมันก็ต้องคิดอย่างนั้นไเพอเพอยางพ่อจะไปฝังเงินไว้กับมัง่งมาคราวนี้พ่อจะมาสั่งเสียให้ไปขุดเงินที่พ่อฝังไว้กับมัง่งคนขี้โลภมันต้องคิดไปอย่างนั้นไอยญาติพี่น้องเออพราหม์เข้ามาแล้วคราวนีเน้เขาจะมีอะไรนะออสั่งเสียเขาจะสั่ง ออกมาพูดอย่างนี้คนทั้งหลายก็ลมมาเลยมาก็มาถึงศาลากลางบ้านคือศาลาชุมชนของเขาในคุ้มของเขาเนี่ยพรามก็ขึ้นไปยืนขึ้นไปยืนอยู่บนศาลาเนี่ศาลาศาลาประชาคมของเขาพอไปยืนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่อพวกลูกหลานก็นั่งล้อมรอบพวกพี่น้องก็นั่งล้อมรอบพอนั่งล้อมรอบเสร็จแล้วท่นี่พรามก็ได้ยืนขึ้น ในในฟอในกลางศาลากล่าวเป็นคาถาขึ้นที่อย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนนะพระพุทธเจ้าได้สอนได้บอกเอาไว้คือว่าคาถาเนะี่ยว่าอย่างไรท่านก็บอกพามคนนั้นก็ยืนขึ้นบอกว่า เ, เลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายขุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ามกายย่างย่องจ้องจดจุน จะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ ร, ร้ายจะวายบุนเอาไม้เท้าปัดวัดเหวี่ยงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยคือพรามณ์พูดว่าลูกของข้าพเจ้าเก้าคนนี่นะข้าพเจ้ามาเลี้ยงมาด้วยความยากลำบากเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคือพวกเราเลี้ยงลูกขึ้นมาเราเลี้ยงมาเพื่ออะไร ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเท่าแก่ชลาลูกหลานก็จะได้เลี้ยงดูเราเพราะเราได้เลี้ยงเขามานี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันที่หลวงพ่อว่าวันเสาร์วันอาทิตย์น่าจะพาไปกราบพ่อแม่เพื่อปูทางให้เขาเพื่อเขาเป็นแนวทางต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราพาไปกราบพ่อแม่ต่อไปภายภาคหน้าเขาจะพาลูกของเขามาดูแลพ่อแม่มาดูเราเพราะเราทาเพราะเรา พาไปในทางที่ถูกต้องถ้าหาว่าเราไม่ให้ความสนใจในพ่อใดแม่พอถึงตกวันธรรมดาถ้าคนในเมืองนู่นไปตีกอล์ฟไปเที่ยวศูนย์การค้าเนะี่ยพาลูกไปนู่นปล่อยปลและเลยไม่สนใจกับพ่อกับแม่พ่อเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเขามีครอบมีครัวต่อไปภายภาคหน้าเขาก็จะทำเหมือนเราพาเขาทำนั่นแหละถ้าว่าเราพาเขาทาอย่างไรลูกของเราก็จะพาทาอย่า ง, ง น, นั้นนี่แหละ พรามณ์เขาบอกเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลําบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคล้ายๆว่าเลี้ยงลูกมาเพื่อจะให้ดูแลเมื่อเท่าแกชรามีความจําเป็นแต่นี้ไม่มีใครดูแลเหลียวแลเลยจนพราม์ทุกยากลําบากจนถึงสุดท้ายก็ว่าคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ากายย่างย่องจ้องจดจุนคล้ายๆกับว่าลูกทั้ง9้าคนสู้ไม้เท้าพ่อไม่ได้ไม้เท้าพ่อเนี่ หมาจะมากัดกวัดเวียงหมาก็ยังกลัววัวควายจะเข้ามาขิดมาชนก็ยกไม้เท้าขึ้นมาวัวควายก็ยังวิ่งหนีเพราะหัวไม้เท้าแต่ลูกทั้งเก้าคนเลี้ยงหมาทั้งเก้าคนสู้ไม้เท้าพ่อไม่ได้พราหม์เปรียบเทีย บ, ยบอย่างนั้นอันนี้คือคาถาของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้พราหมณ์พูดนะพวกลูกทั้งหลายก็เห็นโทษตั้งแต่บัดนี้ต่อไปข้าพเจ้าลูกทั้งเก้าคนจะเป็นผู้ดูแลพ่อให้ดีที่สุดนะ เห็นโทษนะนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณาหน้าศร้าญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าพวกเรายัางมีพ่อมีแม่อยู่ก็ขอให้ช่วยกันดูพ่อแม่ของตนเองในเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราพ่อแม่ก็ได้พึ่งพาอาศัยพวกเราในเมื่อพวกเราพ่อแม่ล่วงลับดับขันไปตายไปแล้วเราจะทํำยังไงพ่อแม่ตายไปหมดแล้วท่านบอกว่าในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงท่านต่อ ทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุลระพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอลระดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ยังไม่ให้จบนะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเนี่ยเราได้มาจากพ่อจากแม่ไม่ใช่เหรอเนี่แหละเราได้เอาร่างกายของเราเนี่ยไปทำมาค้าขายเป็นเงินเป็นทองขึ้นมา เราก็ได้นําเงินทองที่ร่างกายของเราเนี่ยได้มาแล้วก็ไปทําบุญทำบุญอะไรกับวัดวาศาสนาทําบุญกับสาธารณประโยชน์ทําบุญกับโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นมีมากมายในการทําบุญไม่ใช่ว่าเราจะทําให้กับพระกับพุทธศาสนาแต่นี่คือทำพระพุทธศาสนาเนี่เป็นบุญกุศลอยู่แล้วอแต่เราทําสาธารณประโยชน์ก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะนั้น ขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบหลวงปู่หลวงตาสายหลวงปู่มั่นพวกเราเดินมาถูกทางแล้วนะนหลวงพ่อว่าพวกเราเดินมาถูกทางแล้วขอให้พวกเราเดินตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเดินพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็การดําเนินชีวิตของพวกเราก็ราบรื่น จะไม่มีอะไรทางธรรมจิตใจของเราเมื่อเราจะล่วงลับดับขันหลับตาลาโลกเราก็ล้ำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลับตาไปด้วยความมั่นใจว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วพวกเราจะไม่ตกต่ําพวกเราจะต้องไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ได้เพราะเราปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติตา ม, มาหรือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนํา ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติพวกเราคงจะประสบความสุขกายสุขใจบรนปลายของชีวิตนะนการพูดและการแสดงธรรมการกล่าวสโมโภชนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตน์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาคนขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญ